أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ب سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و ا الأ ل م خ س ل ي ن وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا ل إ ل ل ن ا إ ل ن ما ع ل أ ت ن ا َ ا ل ْ ع ت ا ل ِ م ا ل ح ك ي م ربنا ظلمنا أنفسنا อิลล م تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك ا ل إ أ ه د ا و ا ل ط ق ا والعفاف والغنا اللهم يا م ق ل ب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ในรัมมติค่ยาอัลลอฮ์ม์มุราหมี الحمد لله شكر นะครับตั้อัลลอฮ์ س ب ح าะ ه าละ ت ع ا ل าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับวันเวลาและก็อายุไขยของพวกเราทุกคนนะครับที่เราได้รับความดีงามต่างๆมากมายได้เรียนรู้ศาสนาของพระองค์ได้ เข้าใจอัลกุรอานของพระองค์ได้ปฏิบัติอามะลต่างๆนะครับที่เป็นอามะลสาละที่จะเป็นเสบียงให้กับพวกเราทุกคนในวันอัคราสอัลฮัมดุลลอฮ์นะครับสุรุตุลมุลกวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่อายะที่12เป็นต้นไป อาอุบุบิลลาห์มิเนอ์ชัยตาน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 ج ู الذي ع َ ل َ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ <ت ص في ق> ตร ك ขอบรู أ إ أ إ ي ا ل ใ و ้เย้ ل มัสลู ي กล่าวว่าที่ได้รับคุณในแผ่นดินแ ي ะที่นั่นคุณจะพึ่งพิ و แ و ะ ت ذ الوعد إن كنتم صادقين. قل ن و ل ي ن ك ل ن و ل م ن ف م ن ي ج ي ر ا ل ك ا ف ِ ر كلنا، اللهم ا ج ل ن من ع د وربنا، فستعلمون من هو في ل قل أرأيتم إن أصبح ما أحكم غورا, غورا فما يأتيكم بما af ไม่ยิ่งชีมุกบันันัลัลวัจีหَอَห์เดะอัมไม سَوِيًّا วَ ل َ ى ص ِ ر َ ا ط รัُ س ْ ت َ ق ِ ي م มครังที่แล้วเราได้เห็นัลัลลอฮััซุบฮััลัลัลตัคำถามหลายคำถามมากนะครับเป็นคำถามที่ให้เราได้พิจารณาดูหลายอย่างที่แสดงถึงความ เป็นไกลหรือว่าความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานะตะอัลาไม่ว่าจะเป็นให้ดูนกนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ตั้งคำถามว่าถ้าอัลลอฮ์สุบฮานะฮะตะอัลาจะลงโทษบรรดาคนที่ทำผิดมีใครที่สามารถให้ความช่วยเหลือ นะรูปปั้นเหล่านั้นให้ความช่วยเหลือกับเจ้าของได้ไหมมันไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลืออะไรได้เลยมันจะช่วยคนอื่นได้ยังไงในขณะที่ตัวมันเองมันยังช่วยตัวเองไม่ได้นะครับนี่เป็นคำถามง่ายๆแต่คนกาเฟอร์บรรดาพวกที่ปฏิเสธก็ยังคงอิลลาฟิอูรุยังคงตะกับบอร จะเดียวกันนะครับยังมีคำถามว่าถ้าอัลลอสุบฮานาตะอลาจะระงับริสกีของพระองค์มีใครที่สามารถจะให้ริสกีเหล่านั้นแก่พวกเขาได้ไม่มีนะครับคนเหล่านั้นให้ริสกีได้หรือเปล่าไม่เคยมีเลยมีแต่เราที่ต้องไปให้ริสกีกับเขาเวลามีเรื่องอะไรต้องไปถวายมันแปลกตรงที่ว่าเกือบทุกศาสนาจะต้องถวายให้หมดเลย คือจะต้องถวายให้กับรูปรูปสิ่งเคารพที่ตัวเองเคารพให้หมดเลยมีศาสนาไหนบ้างที่พระเจ้ามาถวายให้กับมนุษย์หรือสิ่งเคารพเนี่ยให้ริสกีกับกับสุภาพอะไรละอละละมันมีแปลกๆนะครับสมัยก่อนอไม่รู้แถวนี้มีหรือเปล่า ถ้าเป็นแถวบ้านผมสมัยเด็กๆยังจำได้เวลาที่มีอะไรนิดหน่อยจะต้องเชื่อดไก่ไปทิ้งเอาไว้ที่พงอะไรอะพงที่กอไผ่หรือว่าที่ต้องไปทิ้งว่าเวลาที่เด็กป่วยเวลาที่เด็กร้องไห้ไม่ยอมหยุดโดนละโดนล ะ, น, ละนะต้องไปถวายให้กับฮะอะไรนะอะไรนะไม่ใช่บนครับไม่ใช่บนบางทีก็ไม่ได้บนอะไรที ไอ้ที่บนน่ะต่างหากอที่บนอ่นั่นแหละคือแทนที่สิ่งเหล่านั้นจะมาให้ริสกีเราเราต้องไปให้ริสกีกับมันต้องทํำข้าวเหนียวไปถวายมันแล้วจะเป็นอะมิซาลิกไม่รู้คิดยังไงสภานัลลหรอแล้วยังขอริสกีกับสิ่งเหล่านั้นได้นะครับนี่เป็นคําถามที่เราตาเาถามแต่ยังไม่เข้าใจนะครับเหมือนเขาว่าไม่ยองเข้าใจบัลลัจูฟิอุตวนวานุฟูร ยังยืนกรานยังดื้อด้านไม่ยองใช้ความคิดสุภาัหลอกนี่แหละมันก็เลยมีคำถามในะอายะที่ี่บว่าอัฟะมันยัมชีมุคิบันอัลวะฮิอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็นการเปรียบเทียบหรือเป็นการอุปมาอุปไม้อัลลตาลาเปรียบเทียบระหว่างคนที่ศรัทธากับอัลล์กับคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอ์สุภาพอเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไง มุขิบบันอลาวัจหิหมายถึงเดินกับหน้าเดินยังไงเดินกับหน้าอาฟ่ไมอาฟ่ไม่เยีมชีมุขิบบันอลาแล้ววัจหิภาษาไทยก็ว่าอย่างไงคนที่เดินถูไปด้วยใบหน้าของเขาคือเดินไปล้มไปอะ่ะเดินไปขมําไปอะ่ะนี่คือเดินกับหน้านะครับในโลกดุนียะนี้มีไหมครับเวลาที่เรามึนอะ่ะเดินแบบมุนน่ะเหมือนคนที่กําลังจะเป็นลมใช่ไหมเดินไปสักพักหนึ่งลม้มลุกขึ้นมาอีกก็ลม้มนี่แหละคือ โกิบันอะไรวะจีเดินไม่ตรงเดินเมันคนเมาเมาเนี่ยอธิบายได้หลายเรื่องเหลือเกินอธิบายมาหลายครั้งแล้วเมาเมาดุน尼亚ก็เหมือนอย่างนแหละเดินแล้วเมาเดินแล้วล้มเดินแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วขำมำขำมำลุกแล้วขำมําัลลอฮซซัลลัฮิมานะเลคนที่เดินแบบนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างอัลลอุลีมานกับอัลลุลกุฟรผู้สัตยากับผู้ที่เป็นการฟิกเนี่ย ลักษณะการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็มึนและมึนไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีไม่มีคำสอนชัดเจนลองไปถามดูสิว่าเขาเอาหลักฐานมาจากไหนที่ว่าต้องไปอต้องไปบูชาไอ้รูปปั้นเหล่านั้นบูชารูปปั้นเหล่านี้นไม่มีไม่มีหลักฐานอินยัตตบิยุนั่นอิลลนคนเหล่านี้อัาลลอฮฺ ت ع บอกว่าคนเหล่านี้ที่ เคารพสิ่งเคารพต่างๆในโลกดุนีน้ฮะนี่เวลาที่พูดถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงไอ้สามแยกตรงนั้นทุกทีเลยที่ผ่านไหมฮะสามแยกตรงที่ขายผลไม้อ่ะที่หลังสูมัสต้าผมวันนี้ก็ผ่านผมนึกถึงตรงนั้นทุกทีเลยสุภาพน้องมีทุกอย่างจีนก็มีอินเดียก็มีแคร์ก็มีแคร์ก็ ม, กมีลองไปถามรูสิว่าเอาหลักฐาน ม, มาจากไหนเนี่ย ที่มาตั้งเป็นกองอยู่เนี่ยมีทุกทุกทุกนทีเลยอยู่ตรงนั้นเหมือนเซเว่นเลยะมีทุกอย่างครบวงจรวันสต็อปเซอร์วิสไอคนที่นับถืออินเดียไม่ต้องไปแล้วโบสโบสโบส อ, อ, อินดูมาตรงนี้ก็มีประพิคเเนตนะไอคนที่นับถือโตะ๊ะนั่นโต๊ะนี้ก็มีโต๊ะอยู่ตรง น, นั้นเจ้าพ่อเสือก็มีฮะโต๊ ะ, ตะแทมีสามไม่ใช่แค่ต๊ะแสนะ มหีหลายตัวเลยเห็นมีคราวคราวยาแบผมอีกพวกผ้าด้วยสุภานัลนล ะ, ะถามสิว่าถ้าเขาชัดเจนจริงๆทำไมไม่มีแค่อันเดียวพออันไหนทั้งหมดที่มีริบมากที่สุดตรงนั้นเอาอตัวเดียวก็พอแล้วทำไมต้องเอาตั้งเยอะขนาดนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยตามความรู้สึกก็แต่ตัวเองก็มึนะ่ะคือในตัวเองมันก็มึนอยู่แล้ว มันในตัวเองเส้นทางที่ตัวเองเดินไปก็หมุนก็ไม่ตรงคดเคี้ยวมีลุ่มมีดอนมีหลุมมีบอดเต็มไปหมดเลยอ้าวสุบิลละฮัมูาลิกไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างใ น, นชีวิตของคนที่ไม่ศรัทธา ต, าต่ออัลลอสุ س ب ح ا ن และ ت อยากข่าวล่าสุดที่เพิ่งไปดูมาฮะฝั่งหมายรู้สึกมันจะมันจะมีหลายรอบแล้วข่าวแบบเนี้ยข่าวที่ว่าไปเจอน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขาวที่ว่าไปเจน้าศักดิ์สิทธิ์เพวกเด็กๆนี่มันตามเฟ e บุ๊กมันรู้อะไปเจน้ำศักดิ์สิทธิ์โอ้โหไม่รู้ออกมาจากไหนน้ำนี้ก็เลยเอาหินเอาเอาอิฐมาก่อแล้วก็ตักตักใส่ควรแล้วเอาไปกินสุดท้ายไปไปมาๆน้ำซึมจากบ่อสวง น, <laughs> นี่คือนี่คือคนที่ยังชีมุกิบบันอาลาวจฮิไม่รู้จะไปทางไหน ออนนเข า, าบอกอันนี้ก็เอาเขาบอกอันนี้ก็เอาคือคิดเองไม่เป็นแลแล้วแต่ใครบอกอมันไม่เหมือนกับคนที่อ่าอห์เดอมม يمشي س و ي ا على سراط مستقيم คนที่เดินตรงบนเส้นทางที่ตรงไม่มีหลายเส้นทางครั้งหนึ่งท่านอนบดุลเลสลลัลลอฮุอะลัยซซัมเคยขีย เ, ยเคยขีดอย่างเงี้ยนะครับขีดบนบนอะไรบนพื้น ขีดเส้นตรงหนึ่งเส้นแล้วก็ขีดเส้นรอบๆอบเส้นเนี่ยให้เป็นกิ่งเป็นกิ่งเป็นกิ่งเป็นกิ่งเป็นกิ่งเป็นแยกเป็นแยกเป็นแยกเป็นแยกแล้วท่านก็บอกว่าอว่าฮาฮาซาซิรอตีมุสติกิมันนี่แหละคือเส้นทางของ Allah ที่ตรงอิสินะซิรอตัลมุสติกิมตรงว่าฮาดีอัลซุบุลนี่คือเส้นทางของชั่วร้ เพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีศาสนาอื่นที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวนอกจากอัลลอฮ์นอกจากศาสนาอิสลามพนักตรงมากใครจะมาว่ายังไงเราชัดของเราอัลลอฮ์ผู้อดห์แตถ้าไปอันอื่นเดี๋ยวมีสิบอันนี้มีสมอันนี้มีห้าอันนี้มีหอันนี้มีไม่รู้ตั้งเท่าไหร่มีลูกมีหลานมีเหร่มีหลนมีคนรับใช้คนรับใช้ก็เป็นเป็นพระเจ้าได้ คนนับใช้ของของของพระเจ้าเป็นก็เป็นก็ไ ป, น, ป, น, ป น, นับถือได้นะที่เจ้าที่ตรงนั้นจะย่ยํแยะไปหมดเลยนั่นแหละคืออสุบุลเราจะตามใครตกลงจะตามใครเวลาที่ทเวทวดาทะเลาะกันเองแล้วใครชนะแล้วคนที่นับถือทเท ว, วดาที่แพ้เราจะทํายังไงพะท้าวบอกชัดเจนเราแก้น้าฟีฮีมาอัลเลตุนอิล ล, ลัลลอฮละฟาซาดะ ถ้าหากว่าแผ่นดินกับท้องฟ้าเนี่ยมีพระเจ้ามากกว่าหนึ่งองค์สูญสลายไปตั้งนานแล้วมันทะเลาะกันเองนาวะเป็นอะไรอะอย่างเงี้เพราะฉะนั้นของเราชัดเจนมากไม่ต้องทะเลาะเลยเรื่องนี้ตรงไปเลยเดินตรงดิ่งไม่ต้องคำ ม, มั่ไม่ต้องท่าเดี๋ยวตามตรงนี้ที่เอ้ยดูๆแล้วพระเจ้าพระเจ้าตัวนี้ไปไม่ไหวไปหาพระเจ้าตัวใหม่แล้วเออนี้ก็ไม่ไหวอีกริบเริ่มลดลง เราต้องหาพระเจ้าอีกตัวหนึ่งนั่นแหละที่เราเห็นเดี๋ยวออกรุ่นนั้นรุ่นนี้มีเวอร์ชั่นด้วยพระเจ้ามีเวอร์ชั่นรุ่นปลุกเสกรุ่น <c oughs> <c oughs> นี่คือคําถามแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคําถามที่ง่ายมากเลยคือตอบง่ายมากเลยแตม่มันแปลกมากที่ว่าคนส่วนใหญ่ยังโดนใชยตอน รอบงามอยู่จนกระทั่งยากมากเรื่องเรื่องการเคารพบูชาสิ่งอื่นน่าของชาวลอสฟาต์อัลตลาเป็นโรคร้ายที่รักษายากมากเลยทั้งทั้งที่มันน่าจะง่ายมันน่าจะง่ายนะคืออธิบายแบบนี้มันน่าจะฟังเข้าใจง่ายแต่รักษายากมากเรื่องชริกโรคชริกเป็นโรคที่รักษายากมากไม่อย่างนั้นท่า น, นาบับอเบียร์ไม่ขอรูอากับอัลลอ์สวาบอัลตลา ท่าน نبي อิบราฮมขอุกับอัลลอฮ์สุะาปะเสวจนบุญวับบนียอันนับด้วอัลอายาอัลล์ข้ให้ทรงปกป้ังลูกลางของฉันให้ห่างไกลจากการเขารูปบูชารูปปันตอนนั้ท่าน ن อิบราฮมบรณกบกับอิสมาอนท่านขอดุทิตอนนั้นไม่มีสักตัวหนึ่งไม่มีสักตัวหนึ่งที่มักกะมักกะนะครับไม่ใช่เมืองไทยมักกะสถานที่ที่บริสุทธิ์สถานที่ที่ศาสนาอิสลามเผยแพร่ ตอนที่ท่านนาบีบรหิมขอดูอ้าไม่มีสักตัวแต่พอมาถึงยุคของท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลละอสลแต่งตั้งถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีรอบกะบะไม่น่าเชื่อรอบกะบะมีทั้งหมด360ร้องม3้อตัวมันร้ายแรงเรานึกว่ามันเป็นเรื่องใครจะทําอะไรก็ได้อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าจริงๆแล้วผมพูดถึงเรื่องชิริกแบบนี้เนี่ยเรานึกมันเป็นเรื่องคลาสสิก หมายถึงยังไงนึกว่าเป็นเรื่องโบราณ น, นึกว่ามันเป็นเรื่องปรำประราคนสมัยนี้ไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะมีอาจารย์แบบนี้ไม่ครับยิ่งมีอินเทอร์เน็ตยิ่งมีดาวเทียมเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องแบบนี้ชิริคไฮเทคชิริคในมือถือมีไหมแป๊แป๊ บ, ปบเดี๋ยวมีโฆษณามาสนใจไหมรุ่นนี้จากพระคุณอาจารย์คนนี้ มันมากับมือถือได้ยังไงเรื่องแบบนี้เรื่องมือถือนี่คนเขาจะไปดวงดาวเขาจะไปเดาวหางวันนี้วันนี้มีข่าวว่าอะไรนะยานอวกาศลำแรกที่สามารถลงจอดบนดาวอางได้แล้วดาวหางเป็นดาวที่ไม่ได้อยู่กับที่ดาวที่มันวิ่งเ่ยเขาเอาดักเอายานอวกาศไปลงบนดาวหางได้แล้วเรายังส่ง SMS เอายพระเครื่องขายพระเครื่องในมือถือ มันยังมีอยู่ครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของสมัยก่อนเป็นเรื่องของคนยุคเนี้มีเว็บไซต์มีโปรโมชั่นขายในอะไรอะเว็บไซต์ออนไลน์ที่เขาขายกันอยู่สุภานัลล่ะสุภานัลล่ะอันตารามากไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับอีกอย่างที่เรากลัวก็คือว่าเราอาศัยอยู่ใน อยู่ในสังคมที่มันเป็นสังคมพหุ ว, วัฒนธรรมเราเป็นมุสลิมก็จริงแต่เราต้องอยู่กับคนอื่นอยู่กับสื่อที่คนมุสลิมที่คนไม่ใช่มุสลิมเป็นคนผลิตขึ้นมาสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันแทรกซึมอยู่ในสื่อต่างๆเหล่านี้โดยที่เราไม่ทันที่จะป้องกันตัวเองไม่ทันที่จะรู้ตัวผู้ใหญ่ไม่เท่าไหร่ผู้ใหญ่เองทีก็โดนแต่เด็กเนี่ยน่ากลัวมากหนันจวงจักจักอง์วงละครจั๊กจักองวงวันเสาร์อาทิตย์น่ะ ใช่ไหมครับลูกๆเราชอบดูเอาจะแปลงกายให้เป็นยักษ์อ๋อเพ้งมนี่มันคิดว่าเป็นของจริงอ่ะใช่ไหมเห็นไหมนเนี้ยเ น, นี้ยที่บอกว่าชีริกยุคยุคปัจจุบันให้ทำยังไงมันตรายมากนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องจกักจากองค ง, งเป็นเรื่องปกติเรื่องหลังข่าวนี่ก็มีเยอะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีอิทธิฤทธิ์เนี่ยขายไม่ออก ฮี Hero. Hero โร่ฮีโร่อะไรนะ่ะมีอยู่ช่วงหลังช่วงมะเกรดบ่ายฮีโร่พันดีอะไรนะที่มันใส่หน้ากากอะไรสักอย่างหน่นอะฮะนั่นแหละโอ้เด็กเดกชอบแล้วเกินเป็นฮีโร่ชิริกทั้งนั้นเลยนละอิลลัฮิอัลาาอลอฮฺเราไม่คจะทำยังไงไม่ชิริกแบบนี้ชิริกแบบแบบแบบคริสเตียนก็มีอันเนี้ยระดับวัยรุ่นหน่อยกวกวัยนักศึกษาหน่อยเห็นไหม งานแต่งงานในเมืองไทยละครทุกเรื่องที่เป็นละครที่มีงานแต่งงานน้อยมากเลยที่จะมีพิธีแต่งงานแบบแบบพุทธไปดูเลยในละครเก้าสบปอร์ซละครหลังข่าวเวลาที่พระเอกกับนางเอกแต่งงานจะต้องเป็นพิธีแบบมันเกี่ยวอะไรด้วยนี่เมืองพุทธถ้าเราจะบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเห็นไหมทุกอย่างที่มันแสดงออกมา มันเกี่ยวอะไรที่ต้องใส่อันนี้ออกมาเวลาเป็นแฟชั่นเวลาถ่ายปกแฟชั่นอ่าทำไมต้องใสสร้อยมีรูปไม้กางเขนด้วยต้องแสดงให้เห็นถึงเวลาสักเวลาที่นั่นในแบบหลอ่อๆล่ำๆใช่ไหมจะแสดงต้องมีรูปไม้กางเขนโฟ ก, กัสไปตรงนั้นเด็กมันซึมซั์นะครับนี่ถ้าไม่มีอิสลามรับรองเลยครับไปได้ง่ายมากเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตราย ครับเพราะฉะนั้นจะต้องมันไม่น่าจะมีแต่ว่าแต่ว่ายุคนี้ยุคนี้อย่างที่ผมบอกมันไม่น่าจะมีละคนมันคิดเป็นหมดละแต่เรื่องนี้ยังมีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันยิ่งเรื่องดูดวงอ่าดวงวันนี้คุณเป็นเท่านี้อะไรเท่านี้อ๋อรออักบัตเป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากเลยนะเราเองก็ยังมีบางทีมุสลิมเองเนี่ยนะดูดวงดู ดูลายมืออะไรพวกนี้นี่คือคนที่ไม่มีศิรัตซิรตัตมุสตะมีแต่ซุบุลดวงก็เอาหวยก็เอาอะไรอีกอะทายก็เอาทายใจนี้ผมกลัวเหมือนกันบางทีมันจะมีไอ้พวกแอปพลิเคชันใหม่ๆแอปพลิเคชันใหม่ๆวัดนิสัยจากนะแอปพลิเคชันก็ได้เดมีมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว่าคนนี้เป็นยังไงนี่แหลมันยังไงบางทีมันอาจจะไม่รู้นะผมไม่กล้าฟันธงว่ามันเป็นชิริกหรือไม่ชิริกแต่มันอาจจะเข้าข่ายด้วยบางทีเนี่ยบางทีมันแกล้งหลอกเรามันมันเอาสุบินละมันจะต้องระวังให้ดีอย่าตกเป็นเหยื่อของอัสุบุลแล้วเราจะเดินแบบความความหน้าคำมำหน้าอยู่ตลอดเวล่ะชัดเจนอยู่แล้วอะไรลองศึกษาสิ่งที่ชัดเจนแล้วมันจะง่ายกว่าศึกษาสิ่งที่ไม่ชัดเจน เพราะว่าไอ้เส้นทางที่มันชัดเจนมันมีแค่เส้นเดียวถ้าเราศึกษาจริงจริงจังๆไอ้เส้นทางที่ว่านี่แค่เส้นเดียวเนี่ยมันเหนื่อยน้อยกว่าที่จะไปดูบททุกเส้นอะไอ้ทางที่ไม่ชัดเจนมันมีกี่เส้นอะเป็นพันเป็นร้อยเส้นเราเอาหมดเลยเหนื่อยไหมผมว่าเหนื่อยนะดีกว่าอันไหนดีกว่าระหว่าง เรียนหมดเลยไอ้เส้นทงางทูชัยสอนกับเรียนอันเดียวของอัลลอฮฺสุบฮฺาวะตะอัลาจบไม่ต้องไปสนใจเส้นทางอื่นเหมือนที่ท่านนาบีสอนจำเอาไว้นะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮฺาวะตะอัลลาประทานอัลกุรอานลงมาแล้วเวลาที่เราดูอัลกุรอานเราเรียนอัลกุรอานสิ่งที่อัลลอฮฺตะอัลาบอกในอัลกุรอานเนี่ยมั่งศัลอยกไว้เพราเราไม่เรียนเราไม่ดูเราไม่เข้าใจนั่นแหละยังมีความรู้สึกว่าอย่างอื่น มันยังดีกว่าอัลกุรอานแต่ถ้าคนที่เรียนอาารรัลกุรอานจริงๆเขาดูดูของแบบนี้จะเป็นเรื่องตลกทันทีเป็นเรื่องขบขันทันทีเลย น, นะ ม, นมันมันไม่มันไร้แก่นสารจนกระทั่งเราไม่รู้จะอธิบายอย่างไงนี่คือนะคนที่เข้าถึงคมฟีของอัลลอฮฺสุบฮานาอาฺล้เพราะฉะนั้นคําถามนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ถามต้องการคําตอบแต่เป็นการถามเพื่อยะเอื้อหรือตะฮักกุมวลอิสต์ฮซะ ม, มันเป็นคำถามที่มันอะไรอ่ะมันเป็นข้อเท้จริงที่อ๋อวัดมันเคล้ามากเลยมันเบาปัญญามากเลยรัตถารัก็เลยถามเชิงเชิงถากถางคนพวกนี้ว่า ม, มันจะเท่ากันได้อย่างไงนะใครดีกว่าใครที่ชัดเจนกว่าระหว่างคนที่เดินเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยหลุมบ่ อ, อเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวไม่รู้ไปทางโน้นทีทางนี้ทีเดี๋ยวลงทีลุกที นี่ในดุน ي ่านะในวันอาครัตก็เหมือนกันในดุน ي าระหว่างคนที่มีอัลกุรอานกับคนที่ไม่มีอัลกุรอานคนระเบบก็ละเดินในอาครัตก็เช่นเดียวกันอาครัตเนี่ยกว่าที่เราจะเดินทางไปถึงสวรรค์ได้เอาจะเป็นอะไรเป็นอะไผมพวกเราเคยได้ยินไหมที่บอกว่าอาครัตเนี่ยเส้นทางที่จะไปสู่สวรรค์นเนี่ยมันมืดนะ มันต้องอาศัยแสงสว่างมุกมินนี่จะมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้ากับรอบๆตัวแสงสว่างจากอัลกุรอานแสงสว่างจากอามัลอิบาดั์ที่เขาทำในขณะที่บรรดาคนกาเฟรนี่จะต้องคลำทางนั่นแหละที่ตกลงไปในนรกมุนาฟิกก็เหมือนกันมุนาฟิกเนี่ยตอนที่เห็นมุกมินมีแสงสว่างอย่างเนี้ยก็เลยบอกรอหน่อยรอหน่อยรอฉันด้วยอะ อนซูรูนักทบิสมินูเรคมัรดาฟุกมูนาฟิกินเวลาเห็นมุกมินกําลังเดินไปท่ามกลางแสงสว่างมันไม่มีแสงสว่างมุนาฟิกินะครับก็เลยเรียกให้มุกมินรอกหน่อยอัลลอฮฺก็เลยบอกกลับไปข้างหลังไม่ต้องตามมาตอนที่อยู่ในดุน ي ة มันอยู่กับเรามูนาฟิกเนี่ยอยู่ในสังคมมุสลิมเห็นดูแล้วเหมือนนึกว่าเป็นมุสลิม แต่ว่าเอาถึงวันอาคาัคราตเนี่ยจะถูกแยกออกชัดเจนแล้วลักษละาะก็จะเอากำแพงมากั้นระหว่างงุมมินกับกับมุนาสตรีมอย่างชัดเจนไม่มีแสงสว่างที่จะกลับไปหาสวรรค์ของล่องชงขาหมอ า, าลาเพราะฉะนั้นในดุนยาก็จะใช้ใช้ชีวิตแบบฮะแบบคนตาบอดบางอายัดเรียกคนที่ไม่มีอีมานว่าเหมือนคนตาบอด ข้า ل ่าลิมพ์พชร์ที ن น่าลิ ม, ลมพ์พชร์ท่านอ ن เอ็มและวตุบสีอละูนี่สุรตุฮาที่บอกว่าทำไมอัลลอฮ์ละทำให้เราตาบอดในวันอัคราในดุนยาเคยตาบอดมาแล้วตาบอดจากสัจธรรมของอัลลอฮ์สุฮาอัลตะลัเพราะฉะนั้นในวันอัคราอัลลอฮ์ละก็ให้ตาบอดอีกครั้งนะอัอุบิลลฮ์มลิลอิลาอิลลอ์ไม่รู้จะตาบอดถึงไหนนะครับนะนะ สุภาพน OLA เดี๋ยวจะมีอายะที่พูดถึงเนี่ยอายะท์หลังจากนี้ถัดไปทันทีเลยที่ Allah ตาลาบอกว่ากُ ل ْ هُوَ ا ل َّ ذ أ ك م و ج ع ل َ ل َ ك ُ ا ل س َ ع و ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ ف ئ ِ د َ ت ش ك นนี่คือวิธีการนำเสนอของอุปสรรไม่ต้องสังเกตดูนะครับตั้งแต่ต้นสุร a h มา Allah ตาลาใช้วิธีการหลากหลายมากในการนาเสนอข้อมูลที่จะทาให้มนุษย์เนี่ยได้เข้าถึง อันนี้แหละที่แปลกมากเลยในท่ามกลางความหลากหลายอันน่าสนใจเวลาที่อัลลอฮฺนำเสนอ Please อายักของพระองค์เนี่ยแต่เรากลับไม่สามารถที่จะเข้าถึงอย่างลึกซึ้งได้สังเกตดูนะครับตอนต้นงสุรัตอัลลอฮฺใช้วิธีการบอกเล่าต tabarakalladhi biyadhil mulk walladzayyinna sama adunya bimasaabi เล่าให้ฟัง พอตอนกลางๆใช้วิธีการตั้งคาถามใช้วิธีการตั้งคาถามอ่ะยังไงอะอามินตุมมังฟิสซมาอวลมยรูอลลตยรอฟะมันยชีมุคิบใช้วิธีการตั้งคาถามให้เราคิดมาถึงตรงนี้ใช้วิธีสั่งให้ท่านนบีุลเหมือนกับจี้ เจาะเข้าไปกลางหัวใจของคนที่กำลังฟังอยู่ใช้วิธีการหลากหลายมากเพรฉะนั้นลองสังเกตดูอายักแต่ละอายักจะเอาล็อตมาเอาแต่อะไรมันมีนัยะที่ต้องการให้หัวใจของเราสมมุติว่าเจาะทางนี้ไม่ได้เอาลองเจาะทางนี้เจาะทางนี้ไม่ได้ก็ลองเจาะทางนี้เพราะหัวใจของเราเนี่ยบางทีมันแข็งยิ่งกว่าเห็นอุสลูวิธีการนําเสนอของอัลกุรอานก็เลยต้องใช้วิธีหลายวิธีเอาแต่ลาไม่เคยบกพร่อง อัลกรุรอานไม่เคยบกพร่องที่ต้องการที่จะต้องการให้ใจของมนุษย์เนี่ยสามารถรับอิรยาตของพระองค์ได้เลยมีทุกวิธีบางครั้งต้องสาบานบางครั้งต้องใช้วิธีการยกตัวอย่างของคนสมัยก่อนเห็น ไ, ไหมฮนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านอัลกรุรอานต้องอ่านต้องอ่านจะบอกว่าอย่างไงดีต้องอ่านแบบเหมือนสแก น, แกนเนอร์ต้องสแกนทั้งหมด นั่นแหละที่เขาที่ท่านนบีสุลต่านสั่งให้เราอ่านอัลกุรอานให้จบอย่างน้อยเดือนละครั้งอัลลอฮฺบอสแกนอัลกุรอานอย่างน้อยเดือนละครั้งทํายากมากนะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่นี่จะทํำยัำยงไงซาบ้าบางคนสมัยก่อนบอกว่าเราทําได้มากกว่านั้นไม่ใช่แค่เดือนละครั้งบางคนบอกว่าสามวันขอศรท่า น, นาบีสาวันเนี่ยสา ม, มารถที่จะสแกนอัลกุรอานได้หมดเลย หมายถึงว่าอ่านอรุทธ์อ่านตั้งแต่ต้นจนจบได้หมดเลยท่านอัมบีบอกว่าอย่าอย่าน้อยกว่า3วันเพราะว่าถ้าน้อยหมายถึงว่าถ้าจบคือจริงๆแล้วมีความสามารถที่จะอ่านให้จบได้ภายในวันเดียวปัจจุบันนี้ก็มีนะครับไม่ได้พูดถึงสมัยซาวคบว่าล่าสุดผมดูข่าวจากพี่น้องที่ส่งมาจากริยาที่มัสยิดอาราจีเป็นมัสยิดขนาดใหญ่ในกรุงริยาตเขามีโครงการ หนึ่งวันหนึ่งจบอัลลาฮฺวอัหนึ่งวันหนึ่งจบเด็กตัวเล็กๆ เ, เด็กอายุอยู่ประถมอยู่มัธยมมาเข้าโครงการอ่านจบตั้งแต่เช้าจนเย็นจบจบนึ่งเล่มมีความเป็นไปได้ครับที่จะสแกนทั้งหมายว่านั่นแล้วเราจะทำยังไงเราจะให้สแกนอย่างน้อย ลองตั้งเป้าหมายของเราดูซิว่าเราจะสแกนอัลกุรอานเพราะเผื่อว่าสแกนยุสที่หนึ่งใจยังธรรมดาธรรมดาเนื้อหามันมันไม่ค่อยตรงกับใจของเราเท่าไหร่โรคของเราไม่ค่อยกินกับขับซุร่ากับกับยุสที่หนึ่งบางทอีอาจจะอยู่ในยุสุที่15ก็ได้ถ้าเราอ่านแต่ยุสุที่หนึ่งอ่ะ มันก็มันยากอ่ะมันมันหลายแบบไงเพราะว่าแต่ละคนแต่ละแต่ละบุคคลแต่ละปัตรเจกบุคคลเนี่ยอาจจะมีจุดที่เขาชอ็อตกับอเลคุตอ่านไม่เหมือนกันบางคนชอ็อตกับอายัดนี้บางคนชอ็อตกับอายัดนี้มันคนละแบบกันไงฮะมันไม่เหมือนกันคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนเป็นคนธรรมดาธรรมดานะเอาอายัดอะไรมาก็ชอ็อตง่ายมากเลยเใช้ฮิกมัตแบบง่ายๆแต่บางคนไม่ได้ต้องใช้แบบนรก สวรรค์มันคือจะชอ็อตบางคนไม่ได้อีกต้องใช้วิธีการโต้เถียงใช้ตะ ก, กะซึ่งมันอยู่คนละที่กันในอัลกุรอานนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องสแกนให้หมดต้องอ่านให้หมดต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราว่าจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งแปลกมากเลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นมุสลิมใหม่เขาอ่านอัลกุรอานจบนะ มหมายถว่าอ่านความหมายแล้วครูรอ่านจบเล่มไม่เชื่อไปถามดูเลยไปถามดูเลยที่ที่ชาว ป, ปตรีสาขาหนึ่งอ่ะจะจบหรือยังซินดิกอ่านจบหรือยังใกล้แล้วใช่ไหมสภาพนันแหละมีมีมุสลิมใหม่คนหนึ่งชื่อซินดิกทํางานอยู่อ่าบางมุสอะไรนะอ่าภูกเกต็ตกรุงเทพภูกเกต็ตนะ อ่านตัปซีฟเนี่ยจะจบแล้วอ่าไอไอไเล่มแดงอะ่ะไอความหมายภาษาไทยเล่มแดงเนี่ยเพราะเขามีความ ร, รู้สึกว่าเขาต้องอ่านไม่เป็นคำพี่ก็เาอาวแต่เราเป็นมุสลิมมากี่ปีแล้วเรายังไม่จบเล่มสักครั้งหนึ่งเลยเห็นไหมเห็นหมพระนี่แหละคือคือจุดสำคัญที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้อัลลอฮสุบฮานาอัลลอฮฺบอกว่า “ขลือว่าที่อันชั่อคุ <رو> มว่าจะ ع ลิก ا ุคุมุสัมเงาว่าเล็บซาระว่ากจงกล่าวเถิดในวิธีการบอกให้ท่านนบีบอก“หุ่ ذ แลรีอันชั่อคุม”อัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل เป็นผู้ที่ทรงสร้างพวกเจ้าขึ้นมาตอกย้ำเลยบอกก็แล้วสักถามก็แล้วคราวนี้ตอกยา้าตอกตะปูตอกหมดุดย้าอีกครั้งหนึ่ง ไม้หลุดไปไหนเลยนะครับทั่วหลายอัญเป็นผู้ทรงทำให้พวกเจ้าบเกิดขึอว่าเ جعللكم ا ل س م ع و ا ل ب ص ر والأذىده قلي لما تشكرون อัลลอฮฺต้าลาทรงทำให้พวกเจ้ามีอัสะโอที่สามารถใช้ฟัง والبصر มีตาใช้ดูได้ว لأذىده แล้วก็ใช้มีหัวใจที่สามารถใช้คิดไครครวนได้สามอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันเหตุที่อัลลอฮฺรตะลาต้องพูดถึงสามอย่างนี้เพราะอะไรเพราะสามอย่างนี้แหละที่เวลาที่คนคาเฟตเข้าดารกป ล, ละตะลาจะถามแล้วก็จะยอมรับที่เราอ่านและตั้งแต่ต้นสุรมีหูแต่ไม่ยอมฟังมีตาแต่ไม่ยอมดูมีหัวใจแต่ไม่ยอมคิดอันนี้คือสาเหตุหลัก ทั้งๆที่สามอย่างนี้เนี่ยผมถือว่านะครับอย่างอื่นถ้าเราไม่มีเนี่ยสมมติไม่มีมือแต่ยังมีหูอยู่มันเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตอะ่ะมันสาคัญมากแต่เราไม่ได้ใช้ในการที่จะทำความเข้าใจชีวิตไอ้มือเนี่ยใช้ทำอย่างอื่นมันไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับเข้าใจชีวิตมันเป็นอุปกรณ์สำหรับการกินอาหาร การทำงานใช่ไหมครับแต่จากเข้าใจชีวิตเนี่ยแค่มีสามอย่างอันนี้สำคัญที่สุดเลยแล้วเราสุภาอัลจาราเองดูวิธีการเรียบเรียงมันจะมีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์นิดหน่อยมาจากหูก่อนหูตาและก็หัวใจเพราะอะไรฟังฟังก่อนฟังอายัดอัลกุรอานที่อัลลเลาเอามามาพูดเอามาเล่าเอามาระบุในคัมภีร์ของพระองค์ ดูดูมรุกของอล l l a h อรุณอานพูดถึงอะไรอรุณอานพูดถึงดวงอาทิตย์ตาก็ต้องดูดวงอาทิตย์หูฟังหูฟังอรุณอานที่พูดถึงดวงอาทิตย์ตาก็ดูดวงอาทิตย์เจ้าลักล่าเราให้ให้ให้ดูอรุณอานพูดถึงชีวิตของของมโมมินกับชีวิตของทนแกเฟธฟังฟังอักณุณอานเสร็จแล้วก็ดูดูว่ามโมมินอยู่ยังไงแกเฟธอยู่ยังไงแล้วหัวใจก็ออกไปคิดเห็นไหมฮะ แล้วละตะลาเขาบอกว่ากาลีแล้วแม่ทัศกรุณน้อยมากเลยที่พวกเจ้าจะขอบคุณ Allah จริงหรือเปล่าวันหนึ่งเราขอบคุณ Allah ตะลากี่ครั้งแม่หมัดหูขอบคุณ Allah กี่ครั้งแมหมัดตาที่ a ล l a h ให้ขอบคุณต่ อ, อละกี่ครั้งตะรับหัวใจที่ล l l a h ให้กับเราขอบคุณก็น้อยคนที่ขอบคุณก็น้อยคนที่ขอบคุณน่ะน้อย ในระหว่างคนที่ขอบคุณก็ยังขอบคุณน้อยอยู่อีกเข้าใจไหมครับคนสมมุติว่า 4,000 ล้านคนในโลกนี้จำนวนเปอร์เซนต์ของคนที่ขอบคุณ Allah กี่คนอ่ะเอา穆 m ิ n ก็แล้วกันเอาคนที่เป็นมุสลิมในภาพรวมก็แล้วกันมุสลิมในภาพรวมก็ประมาณ 1,000 กว่าล้านคน 1,300 1,500 ล้านคนนี่คือมุสลิมอีก 3,000 สอ0พัว่าสามพันเนี่ยไม่ใช่คนที่ขอบคุณเพราะว่าไม่ได้สัตธาต่ออัลลอฮ์ออกไปอยู่ข้างนอกเลยอันนี้น้อยนะครับหนึ่งล้านนี่น้อยใน1500ล้านเนี่ยที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยที่ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยมีใครที่ขอบคุณอัลลอฮ์ตลอด24ชั่วโมงบ้างเราเองเนี่ยเราขอบคุณอัลลอฮ์เท่าไหร่เห็นมครับจนวนก็น้อยจํานวนคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์ก็น้อยและ คุณภาพในการที่เราขอบคุณอัลลอตะลาก็น้อยกลิ่นและทักคุรุนอัลลอจะทายังไงดีนะครับเราไม่ได้ขอบคุณอัลลสุภาตะลาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จักวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่อัลลอตะลาให้มาอบลลาฮอลลฮอิลลอ์ลลอฮวตบพี่น้องครับนี่คือข้อเทจจริงที่ จริงๆแล้วนะเราเห็นชัดเจนเลยว่าอัลลอฮฺสุบไพลมีความสามารถมีความสามารถมากลระเกิดนะครับจากสุลตุลมุลตั้งแต่ต้นมาจนถึงจนถึงอายัดนี้เนี่ยตั้งแต่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่นอกตัวเราที่อยู่ในจักรวาลก็แสดงออกถึงความสามารถของอัลลอสุบไพรลลแล้วขยายย่อลงมาย่อลงมาที่ตัวเราเองจากเดิมเราฟังเรื่องดวงอาทิตย์ ฟังเรื่องท้องฟ้าฟังเรื่องแผ่นดินฟังเรื่องนกย้ายมาที่ตัวเราบ้างฟังเรื่องหูของตัวเองฟังเรื่องตาของตัวเองฟังเรื่องหัวใจของตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่หลักฐานดอกหรือวอลชวานตะลาคือเจ้าของอัลมุลกผู้ที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะสวยงามไปกว่านี้อีกแล้วนะครับ แต่ขอให้เรารู้จักที่จะมองให้ออกว่ามันสวยแล้วคําพูดของลัทธิอวตารก็ไม่มีอะไรที่จะสวยงามมากไปกว่านี้เองละต้องฟังให้เป็นว่ามันสวยต้องคิดอันนั้นเท่านั้น ม, มีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่จะทําให้เราเข้าถึงความสวยงามที่อวตารเข้าถึงความสามารถของพระองค์และเข้าถึงสิ่งที่เราเรียกว่าใน ในความสามารถในอัลมุลกในพระเดชานุภาพในอำนาจของอัลลอฮ์นั้นมีความเมตตาซุกซ่อนอยู่ไม่ใช่ความมันไม่ใช่อำหนาจที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกกลัวจนกระทั่งเราทําอะไรไม่ได้ไม่มันเป็นอำนาจที่ซุกซ่อนด้วยความเมตตาที่มันสมัดดุลกลมถ้าเป็นถ้าเป็นอาหารก็มันกลมกลม่อมอะมันกลมกล่อมมากเลยพูดถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันรู้สึกว่าอัลลอฮ์พระอำนาจของพระองค์สูงมากแต่เรารับพระองค์อ่ะ เราไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวจนกระทั่งมันเหือดแห้งสังเกตไว้เวลาที่เรากลัวอะไรสักอย่างเนี่ยความรู้สึกของเราจะเหือดแห้งไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าพูดถึงอย่าอย่าพูดนะอย่าพูดนะเดี<ว>๋ยวเวลาที่กลัวเวลาเนี่ยเวลาที่เราสอนลูกก็เหมือนกันใช่ไหมฮะสอนให้กลัวอะไรนะกลัวไม่ให้ลูกพูดถึงสิ่งที่ลูกกลัวแต่ล l l a h ไม่เรารู้ว่า Allah จะอะไรไมีอํานาจแต่เราอยากจะพูดถึงพระองค์ อยากจะเข้าใกล้พระองค์อยากจะเข้าหาพระองค์ร้องร้องสาระนี่เป็นความแปลกมากเป็นความรู้สึกที่แปลกมากสําหรับคนที่เข้าถึงนะครับเข้าถึงเข้าใจอายะต่างๆจะร้องร้องสาละใส่เข้าไปในคำฟีของพระองค์มีการอธิบายนะครับนิดหนึ่งกล่องที่จะจะหมดเวลาไปน้องสังเกตดูให้ดีนี Pork ่เป็นเป็นเกรดในภาษาอังกฤษเวลาที่ร้องลาระใช้คําว่า asam asam เป็นเอกพจน์ หูเนี่ยการฟังเนี่ยะตะ阿าใช้เอกพจน์หมายถึงอันเดียวอสสัซเมในขณะที่อัลอับซรกับอัลอัฟิดะเป็นพระหูพจน์ทำไมทำไมเวลาที่ใช้พูดถึงหูพูดถึงการฟังใช้เอกพจน์อันเดียวแต่เวลาพูดถึงการมองสายตาใช้พระหูพจน์หลายอันหัวใจก็ใช้หลายอันมีการอธิบายนะครับว่าเนื่องจาก หูเนี่ยมันใช้ฟังคําสอนของลอสุภ า, าตอัละอฮ์ซึ่งคําสอนของอลอตอัลลอฮ์นั้นมีแค่มีแค่อันเดียวเหมือนกันหมดผมพวกเราทุกคนที่นั่งตรงนี้เวลาที่เราฟังอัลกุรอานถามว่าอัลกุรอานเนี่ยอันเดียวกันไหมเราฟังอันเดียวกันหรือเปล่าเราฟังอันเดียวกันแต่เวลาที่เราดูเราดูไม่เหมือนกันบางทีสิ่งที่ผมดู ออกไปดูจังหวัดนั้นออกไปดูจังหวัดนี้ไม่เหมือนกับที่พวกเราดูพวกเราอาจจะดูตรงนั้นผมไม่ได้เคยดูสิ่งที่พวกเราเคยดูเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงการมองเห็นมันจะหลากหลายประสบการณ์ที่ตัวเองที่แต่ละคนไปเจอมาไปพบเห็นมามันไม่เหมือนกันเป็นภาพมันไครับแต่สิ่งที่ฟังฟังเหมือนกันหมดอาคุีอ่านอันเดียวกันแต่สิ่งที่ไปเห็นและเหมือนกันหัวใจของพวกเราทุกคนก็ไม่เหมือนกัน อย่างที่บอกเมื่อกี้ฟังอายัดเดียวกันคนหนึ่งสะทกสะท้านอีกคนหนึ่งไม่รู้สึกอะไรในขณะที่ไปเจอกับอีกอายัดหนึ่งอีกคนหนึ่งกลับมีความรู้สึกอีกคนนึงไม่มีความรู้สึกหัวใจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเกรดว่าทำไมลอสฟองสตาลาจึงเอาเอกพจน์กับการได้ยินและใช้พระหูพจน์กับการดูและการคิดสุภานัลนแหละมันทําให้เรานึกถึงสภาพความจริงของบรรดาสาระ สารภเวลาฟังอัลกุรอานแล้วทำไมทำไมหัวใจของพวกเขามันอ่อนโยนเหลือเกินนะครับอุมาร ab, อิมรุเขาตอบอับูบากรยลลอฮอันเวลาฟังอัลกุรอานแล้วนะอัสซาบบอกว่าอย่าให้พ่อของฉันเป็นอิมามถ้าพ่อของฉันเป็นอิมามแล้วสงสารคนละหมาดทั้งหลังเพราะอะไรเป็นอิมามเมื่อไหร่ต้องร้องไห้ทุกที แล้วเราอะทำไม <laughs> ทําไมวลาอ่านอัลกุรอานแล้วไม่เคยร้องไห้เลยฟังอัลกุรอานเขาไม่รู้สึกอะไรฟังอัลกุรอานอันเดียวกันเล่มเดียวกันนี่แหละแต่หัวใจของเราไม่เหมือนกับหัวใจของอบลบักหัวใจของเราไม่เหมือนกับหัวใจของอุมะเคยฟังไหมครับนะอ ะ, อะไรนะซีดีอัลกุรอานที่เราเปิดในในรถในอะไรเขาอ่านสุรัชอัลฟาติฮะเนี่ยสะดุกสะดือน่ะทําไมอะ สุรฟติฮานี่ยาสุรอื่นนะสุรฟัติฮะใครบ้างที่ไม่อ่านสุรฟัติฮา น, นี่นีที่อ่านสุรฟัติฮาม่เป็นทาไมเวลาที่เขาอ่านสุรฟติฮะเขาร้องได้สือกเอืนอนกว่าจะไปได้แต่ละอายัดนี่โอ้โหเราเนี่ยเจ็บใจตัวเองที่ไม่ร้องห้เหมือนเขา <laughs> สัปดาห์ห ล, ล้าเปีหนึ่งผมจำได้ติดติ ด, ตดหูเลยเพียอียากนะมุดุวะอียากันะสตัยนอิมัมชรูรน ไปไม่ได้เลยครับหมายถึงว่าจอดตรงนั้นเลยอิยาคนะบุดัวอิยาคนะสตัยเป็น10ครั้งทวนอิยาคนาบุดัวอิยาคนาสตัยเพราะอะไรเขาอ่านอิยาคนะบุดัวอิยาคนาสตัยแล้วสดุดกึกเลยไปไม่ถูกหมายถึงว่ามันกินใจเขาถึงขนาดนั้นในขณะที่เราอ่า <active Status> นอิยาคนะบุดัวอิยาคนาสตัยไม่รู้ตั้งกี่สิครั้งแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรอันนี้แหละครับขยัดไม่เลย ซ้ำเหมือนกันแต่หัวใจไม่เหมือนกันการมองการพบเห็นประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทําแต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองที่จะทําให้เข้าถึงอัลกุรอานนะครับอย่าลืมนะครับว่ามาเรียนอัลกุรอานเหมือนกันหมดโอเคฉันอยู่ในกลุ่มนี้แล้วไม่เป็นไรแล้วไม่แต่ละคนเวลาออกไปนี่ไม่เหมือนกันบางคนได้10บางคนได้หบางคนได้6บางคนได้7กลับไปทบทวนตัวเอง นะครับกลับไปทบทวนตัวเองว่าเราได้อะไรบ้างจากการเรียนของเรามันอาจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเราสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างพวกเรากันเองเวลาที่เราเรียนแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างจากอายัดนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างกับชีวิตจริงของฉันสิ่งที่ฉันได้รับจากการเรียนครั้งนี้ในแต่ละครั้งที่เราเรียนขอล็อกความจำแล้วขอล็อกความะำแล้ประทานความเข้าใจแก่พวกเราทุกคนให้เราได้ใช้เนหมัดหูตาแล้วก็หัวใจ ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ที่สุดโดยเฉพาะในการทำความเข้าใจชีวิตและอัลกุรอานของอัลลอฮ์สุบฮานอัลฮุตาลลอัลลอฮุตาลละลักรสละละนะนะเบีะัมอลฮฮะซลมุบฮานะรบะรบล عزيز ะต์มะยาซีฟุนสุลแลมอัลลมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาฮรบล عالم ิสุลแลมอัลัยคุุล